บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าแนพุสดีพุสตีเป็นคำที่เท้าศักกะเทวราชใช้เรียกชื่อเธอคำว่าผู้มีรัศมีแห่งผิวพันธ์อันประเสริฐวระวัร น, นาเพได้แก่ผู้ประกอบด้วยรัศมีแห่งผิวพันธ์อันประเสริฐคำว่าสิบประการทัศธาได้แก่สิบอย่าง คำว่าในปัทถีปัทพยาได้แก่ทำให้เป็นสิ่งที่พึงถือเอาในแผ่นดินด้วยคำว่าจงเลือกเอาวรัสุท้าส ก, กะเทวราชตรัสว่าเธอจงถือเอาคำว่าผู้มีอวัยวะส่วนเบื้องหน้างามจารุปุบพังคีได้แก่ผู้ประกอบด้วยส่วนเบื้องหน้าอันงามคือด้วยลักษณะอันประเสริฐ ด้วยคำว่าซึ่งเป็นที่รักแห่งหารุทยของเธอยังตุยหังมณโสปิยังเท้าสักกะเทวราชตรัสว่าเธอจงถือเอภรรษซึ่งเป็นที่รักแห่งใจของเธอนั้นๆทั้งสิบส่วนพุทธีเทพกัญญาไม่ทราบว่าตนจะต้องจุติเป็นธรรมดาเป็นผู้ประมาทจึงกล่าวคาถาที่สองว่าข้าแต่เท้าเทวราช ข้าพระบาทขอโนบน้อมแต่พระองค์ข้าพระบาทได้ทำบาปกรรมอะไรไว้หรือฟาพระบาทจึงให้ข้าพระบาทจุติจากทิพยสถานที่น่ารื่นรมดุดลมพัดต้นไม้ใหญ่ให้หักไปฉะนั้นบรรดาคำเหล่านั้นคำว่ามโมตยัตุขอโนบน้อมแต่พระองค์ตัดคำเป็นนาะโมเตอตุ ด้วยคำว่าบาปกรรมอะไรกิงปาปังนางภุษสีทูลถามว่าข้าพระบาทได้ทำบาปอะไรไว้ในสำนักของพระองค์คำว่าต้นไม้ใหญ่ทรณีรุหังได้แก่ต้นไม้ลำดับนั้นเท้าสักกะเทวราชทราบว่านางเป็นผู้ประมาทจึงได้พาสิทธสองคาถาว่าบาปกรรมเธอไม่ได้ทำไว้เลย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 ซึ่งเป็นเหตุให้เรากล่าวกับเธออย่างนี้คําว่าเธอจะต้องพลัดพรากจากไปตุยหังวินาภาโวความว่าเธอกับพวกเราจากพลัดพรากจากกันคําว่าผู้จะให้ประเวชะโตได้แก่ผู้ให้อยู่ภุษฎรีเทพกัญญาได้สดับคาเท้าสักกะเทวราชก็รู้ว่าตนจุติแน่แท้ เมื่อจะทูลขอรับพรจึงกล่าวว่าข้าแต่เท้าสักกะผู้เป็นใหญ่กว่าสัตว์ทั้งปวงถ้าฝ่าประบาทจะประทานพรแก่ข้าประบาดไซข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 1. ขอให้ข้าประบาดพึงอยู่ในพระราชนิเวศของพระเจ้าสีวิราชนั้นข้าแต่เท้าปุรินทัทธะสขอให้ข้าประบาด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 มีเกียรติมียศ 6. เมื่อค่าพระบาททรงคันขออย่าให้อุทร น, นูนขึ้นพึงมีอุทธรไม่นูนเสมอดังคันสอนที่ในช่างเหลาเกลี้ยงกล่าเทันทั้งคู่ของค่าพระบาทยายยยยาน 8. ค่าแต่ท้าวาสวะผมงอกก็อย่าได้มี 9. ทธุลีก็อย่าได้ติดในกายสิบ ข้าพระบาทพึงปล่อยนักโทษที่ถึงโทษประหารได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอข้าพระบาทพึงได้เป็นอัครมเหสีที่โปรดปรานของพระเจ้าศรีวิราชในพระราชนิเวศอันกึกก้องด้วยเสียงร้องของนกยูงและนกกระเรียนพรั่งพร้อมด้วยหมูนารีผู้ประเสรศิฐเกลื่อนกลนไปด้วยหมูนกเล็ ก, ลกอันพ่อครัวและชาวมคตสรเสริญ กึกก้องไปด้วยเสียงกรอนและเสียงบานประตูอันวิจิตมีคนเชิญให้ดื่มสุราและกินกับแกล้มบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าของพระเจ้าสิวิราชสิวิราชสัความว่าภุษฎีเทพกัญญานั้นตรวจดูพื้นชมพูทวีปเห็นพระราชนิเวศของพระเจ้าสิวิราชสมควรแก่ตน เมื่อปราถนาความเป็นอัครมเหสีในพระราชนิเวศนั้นจึงกล่าวอย่างนี้คำว่าเหมือนมรุขียะถามิขีได้แก่เหมือนลูกมรึกอายุหนึ่งปีคำว่าซึ่งมีดวงตาดำนีลักขีความว่าขอจงมีตาดำใสสะอาดเพราะเหตุนั้นจึงกล่าวอย่างนี้ ในพระราชนิเวศนั้นขอฆ่าประบาทพึงเป็นโดยนามนี้ว่าพุทธดีคำว่าพึงได้และเพทะได้แก่พึงมีคำว่าผู้ให้สิ่งอันประเสริฐวรทังได้แก่ผู้ให้สิ่งประเสริฐมีเสียงที่ประดับแล้วในตาทั้งคู่หัไทยเนื้อเลือดสเสวตฉชัดบุตรและภรรยาเป็นต้น แกยาจกผู้ขอแล้วคำว่าอุทธรกุตชิได้แก่อวัยวะที่อยู่กลางตัวท่านแสดงคำนี้โดยสรุปคำว่าเกลี้ยงกล่อลิขิตตังได้แก่เหมือนคำสอนที่ช่างสอนผู้ฉลาดขัดเกลาอย่างดีคำว่าขออย่าให้อุทธร น, นุนขึ้นอนุ น, นตังได้แก่ มีกลางคันไม่นูนขึ้นเสมอดังคันช่างคลันของข้าพระบาทพึงเป็นอย่างนี้คำว่ายาย้อยยานนับประวตเตยุงได้แก่ไม่พึงคล้อยห้อยลงข้อว่าข้าแต่ท้าวาสวะผมงอกก็อย่าได้มีปลิตานัสสันตุวาสวะความว่าข้าแต่ท้าวาสวะผู้ประเสริฐที่สุดในถวยเทพ แม้ผมงอกทั้งหลายบนศีษะของข้าพระบาทก็จงหายไปคืออย่าได้ปรากฏบนศีษะของข้าพระบาทปาฐะว่าปลิตานิสิโรรุหาดังนี้ก็มีคำว่านักโทษที่ถึงโทษประหารประหารวัดชันจาปิความว่าข้าพระบาทพึงเป็นผู้สามารถปล่อยโจรผู้ทําความผิดคือ ผิดต่อพระราชาถึงโทษประหารด้วยกำลังของตนนางผุศดศรีแสดงความเป็นใหญ่ของตนด้วยคำนี้คำว่าอันพ่อครัวและชาวมคตสันเสริญสุธมาคทวันนิเตความว่าอันพวกพ่อครัวและชาวมคตทั้งหลายผู้บอกเวลาบริโภคอาหารเป็นต้นกล่าวชมเชยสันเสริญแล้วคำว่า กึกก้องไปด้วยเสียงกรอนและเสียงบานประตูอันวิจิตจิตตรักคาเลรุคุสิเตความว่ากึกก้องไปด้วยเสียงกรอนและบานประตูอันวิจิตด้วยรัตนเจตที่ส่งเสียงไพเราะน่ารื่นรมใจเช่นกับเสียงของดนตรีเครื่องห้าคำว่ามีคนเชิญให้ดื่มสุราและกินกับแกล้มสุรามังสัปปโภธเนความว่า นางผุสดีรับเอาพรสิบประการเหล่านี้ว่าข้าพระบาทพึงเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าศรีวิราชในพระราชนิเวศของพระเจ้าศรีวิราชเห็นปานี้ซึ่งมีคนเชิญบริโภคสุราและเนื้อว่าพวกท่านจงมาดื่มพวกท่านจงมากินดังนี้บรรดาพรสิบประการนั้น ความเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าสีวิราชเป็นพรที่หนึ่งความมีตาดำเป็นพรที่สองความเป็นผู้มีขนคิ้วดำเป็นพรที่สามชื่อว่าพุทธดีเป็นพรที่สี่การได้พระโอรสเป็นพรที่ห้าความมีครันไม่นูนเป็นพรที่หกความมีถันไม่หย่อนยานเป็นพรที่เจ็ดความไม่มีผมหงอกเป็นพรที่แปด ความมีผิวละเอียดเป็นพรที่เก้าความสามารถปล่อยนักโทษประหารได้เป็นพรที่สิเท้าสักกะเทวราชได้ทรงสดับดังนั้นจึงตรัสว่าแน่นางผู้งามทั่วสาลพางพรสิบประการเหล่าใดที่เราให้แก่เธอเธอจะได้พรเหล่านั้นทั้งหมดในแวนแควนของพระเจ้าศิวิราชพระาศาสดา เมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าครันท้าวาสวะมักควาสุชัมบดีเทวราชตรัสอย่างนี้แล้วก็ทรงอนุโมทนาประทานพรแก่พุทดีเทพอับสอนบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าทรงอนุโมทนาอนุโมทิตะได้แก่ทรงมีจิตบันเทิงคือทรงโสมนัสข้อว่า เธอจะได้พรเหล่านั้นทั้งหมดสัพเพเตลัชสิวเรได้แก่เธอจะได้พร อ, อันประเสริฐเหล่านั้นทั้งหมดเท้าสักกะเทวราชทรงประทานพรสิประการแล้วเป็นผู้มีจิตบันเทิงมีพระมนต์ยินดีแล้วด้วยประการชนีทศพรคาถาจบ